สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษาสองพันห้าร้ยยสิเอด จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทางนี้เพราะอะไรคพรว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในดับแรกๆยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณเลนอุบบาสุกอุมบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แล่ก็ยังมีปฏิปทาและอารมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่การคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อการรักการรับอบรวมในการเจริญพระธรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถจะส่งได้ เป็นที่น่าเส้นใดเพราการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเช่นนั้นต่อตินี้ไปขอบัรดาท่านพุทธบริสัทชายหญิงที่สุรสมัมณียังมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลส เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบร ม, มโลกระเชศเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบพุณที่สุบบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่นพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้าเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพราะว่าเราเป็นสาวกข้อองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนียะบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คูควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะแกการบูชานับตั้งแต่วัด น, นี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบ้วทกิเลสนิ่ได้มู่งหมายความดีตามคำสอนสอนเขาอ ง, องสมเด็จพระบรมาโลกเชิ ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพันษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านศึกออกไปจะขอบเคของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพภพระบุคคลไม่ควรจะผ้ากาสาวพัด แม่แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอมบาสุคุมบาศีกายก็เช่ น, ดนเดียวกันระเบียบวินัยใดๆของสำนักมีอยู่แตแสดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์ส ม, ด ม, มเด็จพระบรมครูเมื่อฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็ยัขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัติยาัย อ่านนี้เว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อจากนี้ไปก็มตัง้งใจกันเสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสบบัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริละโอตบะ คือมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายังขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทําตัวไม่คู่ควรกับขอบของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวดในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นขรัวาัต่อที่นี้ไปขอท่านทหลายจงตั้งใจสนับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อาภัยซึ่งกัและกันไม่มีและพก็พุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างองค์สมเด็จไพชินาสีบรมศาสัญดาสัมมาสัพพะตธเจ้ายังสรงพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยงออค้อคนเลวอย่างไพช น, นะซึ่งเป็นชายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกประนาตออกสู่มหาพิเนศกรม แต่ว่าพระชั น, นะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวอง์สมเด็จตัสมาสมพุทธเ จ, จ้าก็ไม่ทรงเหลี้ยวแลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพมาทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องระคับระค ร, ร, รองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่บูราณอาจารย์พระผ้าอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบอสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภคทรงแนะนำ ให้นักเจริญกรรมฐานทรงอานาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอานาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วอง์สมเด็จปัญญาวร ก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนแันดับต้นของกรรมฐานอื่นๆท น, น, น้นี้สำหรับอนาบ า, านิตติกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามที่ที่สอนไปแม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ ว่าคนท้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศ า, ศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินันมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทาตาเป็นตากระทูหูบป็นหูกะทะไม่สนใจการระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ น่ น, นอนจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนเดเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกว่าไม่ชาท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ พราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติทาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวกะลิมไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากล้คิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เทาว่าพระวกะลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปเพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวะกระลิไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมไตรายจงทรงตัดสินว่าไทยขับพระวะกระลิ้งออกจากสํานักนี่จงจําไปดูว่าสํานักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จพจิหาศรีก็เช่นเดียวกันขอบรรดาพิสุทสมันเลนอุมบาสุอุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจเพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้สึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทางเก่าแรืใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลภมากละโมบโลภมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลภเมื่ออยากจะโลภบวดเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมยอยู่เป็นฆราวาสโลภโดยตามสมาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธในความพยบบ า, า, ายามการอิจฉาและสญยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทานได้ทั้งท่านที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรเืก็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาวครูบาอาจารย์บีบบันนนบงคับส่วนน้นบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ดาชั่วก็ดา อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิจ ค, คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสำคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็สแสดงว่าท่านเลวที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตานี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งคราวญชาว่านเขารู้เกือบสมหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เรวเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทธิยาบทที่ทรงอยู่จาไม่ดีดินะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกอุยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเลวไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเลวตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะ ท, ทาการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรมธานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนัลกลองคิดดูทีเดียวว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรมธานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก แล้ว่าจิตดวมนี้มันจะเอารมเร็วมาจากไหนอกุศลกรรมใดๆที่ให้มาเข้าแทรกจิตได้โปรจดจำเป็นดูว่ากายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ นณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหน ด, ดรู้ลมให้ใจเข้าออกไวเสมอเวลาให้ใจเขารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาปติปฐานสุรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวในระยะเวลาใหม่ๆก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสัสสมปชัญญะไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกเื่อให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอนลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเดินวิปัสสนาญาณก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมหายใจเข้าหายใจออกการจเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มตน้นจนกระทั่งจบความเป็นอหรหันต และก็ทรงความเป็นพระรหันแล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสจากสารีบุทว่าสารีบุตตดูก่อนสารีบุทเราเองก็เป็นผู้มากผู้านาปานุสติกรมทนัน คำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรูดลมให้ใจเขาออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรก็ว่าอนนาป า, ป น, า, านุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรูดลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐ า, านนะงับกายะสังขารคือเป็นกรรมฐ า, านคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกํรรมฐาในใครอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นต้นเราทรงอาชาในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดนี่เป็นยาระงับเวทนาอนาปานุสติกรรมฐานจงทําให้มากจงยาละ ต่อไนี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพราะเนนองค์ใดก็ดีอุบาสิกุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเร็วทาเร็วคิดเร็วสดงการเร็วจะได้รู้ได้ว่ า, นานคนนั้นทิ้งการกรหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ให้ดีนะ ว่าปีต่อไปเอริอยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัตานักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่งยีถ้าพระเนอุมบาสุกุมบาศีกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอมบาสุอมบาสีกาที่เข้ามาอยู่นี่จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทําตนให้ผิดระเบียบอินัยจะมาจากไหนไม่สําคัญมีฐานะเช่นใดไม่สําคัญมีความสําคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบอินัยมีความสะอาดมัธยัติหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามาจัว่างคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่ไม่อยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปแาก่ก็เห็นว่าการกำหนดรูดลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำภานาเป็นขอไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันมั่นเพียงในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธาหใจออกนึกว่าโท นีเวลาปีนี้เราสอนก็นจะพอกิดไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไปเราะวังนะพระก็ดีเน่งก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีใครก็ตามทานเลอะทานเลอะเมลัยขับกันเมื่อ น, นั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วรู้ว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัฐเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อบรรดาท่าหนหลายกาหนดรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเลวที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสีส่หมดถ้าเยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สามของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับผู้นี้สองคนเข้าทิ้งฌานสี่ด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโส เ, เอาจริงเอาจังตามคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในฌานเนี่ยเขาไม่โูดมาก ไม่รุมร่ามกับอ่ายของความรักไม่รุมร่ามกับอ่ายของความโกรธไม่รุมร่ามกัหน่ายของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะ ไม่สแสวงหาลาบโดยการขอไม่มีเขตจำกัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายในใดที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจำเป็นคลรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษคนนั่นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่ไปรวบรวมให้เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชันเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชันจะเข้าสังคมใดๆก็าตามจะไม่มองดูความดีและความเลวของุคนอื่นไม่ติใครจะมีความกระตัญยูรู้คุณต่อบคุคคลผู้มีคุณ ไม่อาตตันยูต่อผู้มีคนแม้แต่ผู้มีคนก็ออกเป็นอินาทาทั้งๆที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้สงสานเป็นเพียอกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์ในอบายภูมิเอาละต่อที่นี้ไปก็ขอบัรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรูดลมให้ใจเข้า ใ, ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านโบสอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพรกโกองสมเด็จพระบรมโค อ, อะไรสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันกหมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกและควบคู่กับคำภาวนาวะพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลา ใ, ใจออกนึกว่าโธจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร